คืนนี่เป็นคืนแรกนะของการมาปริกวิเวกปฏิบัติธรรมบางคนหรือหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นนะกับการมาค้างแรมในป่าลักษณะ น, นี้นะโดยเฉพาะการที่ต้องมากางเต็นท์นะ แยกกันอยู่ยิ่งแยกกันไกลๆก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้เห็นจิตเห็นใจของตัวเองด้วย รอบตัวเราที่เต็มไปด้วยความมืดนะมันเป็นเสมือนกระจกนาะให้เรากลับมาดูใจของเราหรือกลับมาเห็นใจของเราชัดเจนขึ้นเพราะว่าถ้าเราถ้าไม่มีความมืดปกคลุมเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรต่ออะไรรอบตัวซึ่งก็อดไม่ได้ที่จะส่งจิตออกนอก ไปที่ท้องฟ้าไปที่ต้นไม้ที่ลูกเขาที่หนองน้ำดอกบัวหรือว่าส่งจิตปรุงแต่งไปต่างๆนา น, นาโดยเพราะในเวลากลางวันสมองเราจะความพิดเราจะเรียกว่ากระฉับกระเฉงนะคิดอะไรได้ร้อยแปะ นะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของคนเรานะคนเราเนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์กลางคืนเราเป็นสัตว์กลางวันนะเราก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราก็หากินเนะมื่อมีแดดนะมันก็เลยรนะ่างกายเราก็จะมีความกระตือรือร้นนะเป็นพิเศษกระฉับกระเฉงเนะมือ่อมีแสงสว่างแล้วพอ แสงหมดนะความมืดมาปกคลุมธรรมชาติของเราเนะี่ยก็จะค่อยๆคืนสู่ความความสงบความเนิบช้าพอมันคือช่วงเวลาการพักผ่อนจิตเราก็จะไม่ค่อยจะ ปรุงแต่งอะไรมากแต่สารคนนี่ไม่คุ้นกับบรรยากาศแบบนี้และเมื่อต้องไปนอนในเต้นคนเดียวที่แยกจากหมูมิดใหม่ๆก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าระแวง จิตมันจะตื่นตัวพิเศษเพราะว่ามันจะมีความระแวดระวังเพราะว่าไม่คุ้นกับสถานที่ไม่คุ้นกับบรรยากาศและยิ่งถ้ามีความกลัวอยู่ก็จะปรุงแต่งไปสารพัดแทนที่จะกลับมาดูใจของเราจิตมันก็ส่งออกนอก แล้วก็ปรุงแต่งเวลามีเสียงที่ผิดปกติหรือว่ามีสิ่งที่ทํำลายความสงบแล้วก็ปรุงแต่งไปนะเจมส์จะปรุงแต่งแล้ขยายขยายสิ่งที่รับรู้ให้เกินจริงไปมากมายอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เพิ่ง อยู่กับบรรยากาศแบบนี้ใหม่ๆเสียงมันจะดังเป็นพิเศษเสียงใบไม้ไหวเสียงลมเสียงกิ่งไม้ตกลงพื้นหรือว่าเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เดินบางทีเดินอยู่ไกลแต่เราแต่เราเห็นได้ยินเสียงนั้นชัดเหมือนกับว่ามัน อยู่รอบๆอบเต็นท์เราได้วยซ้ำหรือบางทีก็ปรุงแต่งไปถึงขั้นว่ามันเหมือนกับเป็นเสียงเสียงเดินของคนเสียงรอยเท้าคนคิดไปถึงขนาดนั้นก็มีนะอันนี้มันเป็นการปรุงแต่งของจิตเพราะว่าจริงๆมันก็ จ, จะเป็นแค่เสียงเสียงเดินของหนูนะ ตัวเล็กๆที่ออกหากินถาอยู่นี่เนี่ยถ้ามีเด้ยนเสียงอะไรที่ผิดปกติเนี่ยก็ให้เราลึกตระหนักว่ามันเป็นเสียงธรรมชาติไม่มีอะไรที่เกินเลยไปจกธรรมชาติไม่ใช่เสียงที่เกิดจากคนแปลกถิ่น ป่าที่นี่เนี่ยมันเรียกเรียกว่าปลอดภัยปลอดภัยไม่ไม่มีอันตรายจากจากคนหรือว่าจากสัตว์ ร, ร้า ย, เ, ยเวลามีคนมาปฏิบัติธรรมในบรรยากาศสถานที่แบบนี้เนี่ย ก็มักจะบอกอยู่เสมอนะว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวถ้าจะมีสิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราใจที่ปรุงแต่งเพราะใจของเรานี่แหละมันสามารถจะปรุงแต่งให้ให้กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว ได้สารพัดไม่แจะเป็นสัตว์ร้ายคนที่คนแปลกหน้าหรือว่าปองร้ายเราหรือแม้กระทั่งผีสางที่ไปสารพัดมันมีแต่ใจของเราทนั้นะที่จะที่จะปรุงแต่งไปอย่างนั้นได้ เราจะไปลงเชื่อใจของเรานะจะไปลงเชื่อใจมันจะปรุงแต่งอะไรก็ให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าณที่นี้ปลอดภัยไม่มีอะไรน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความคิดปรุงแต่งของเราเองให้กลับมาดูใจของเรานะั่นจะไปส่งจิตออกนอกให้มารับรู้นะความรับรู้ความคิดปรุงแต่งของเรารวมทั้งรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ความคิดปรุงแต่งนะั่นคือความกลัวนะคนที่ไม่คุ้นเนี่ยนก็จะมีความกลัวมากบ้างน้อยบ้างกลางวันเนี่ยมันไม่มีนะความกลัวไม่ไม่โผล่มานะพอเราอย่างที่เราเห็นนะกลางวันเนี่ยเราก็ เห็นทุกอย่างรอบตัวก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอันตรายอะไรป่าก็ไม่ใช่ป่าทึบนะเป็นป่าปโปรง่งเห็นด้วยตาก็รู้ว่ามันไม่มีสิงสารสัตว์อะไรจมูกเราก็ไม่ได้กลิ่นอะไรที่จะเป็นกลิ่นสาบนะกลิ่นที่ผิดปกตินั่นคือกลังวันแต่พ อ, อคืนเนี่ยนะพอไม่เห็นอะไรเนี่ย แล้นอยากความไม่คุ้นกลางวันยงเห็นเพื่อนกลางคืนไม่เห็นนะเล่นแต่ว่าถ้าเจอแสงไฟอยู่นะห่างๆก็จะอุ่นใจแต่ถ้าไฟดับนะไอ้ความปรุงแต่งก็เกิดขึ้นทันทีความกลัวก็โผล่มานะจากมุมมืดของใจก็ได้ หลายคนก็เพราะเราไม่นะไม่คิดจะกลัวอย่างนี้นะกลงางวันไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ความคืนนี่มันก็ความกลัวก็โผล่ <c oughs> อันนี้ก็ถือเป็นข้อดีเหมือนกันนะมันทําให้เราได้ได้ได้เห็นความกลัวของเรานะอารมณ์ความคิดใดก็าตามที่มันโผล่มาจากมุมมืดเนี่ยถ้าถือว่าเป็นข้อดี ทำมาแล้วได้เห็นตัวเราเองชัดเจนขึ้นอันนี้รวมไปถึงความโกรธรวมไปถึงความความอิจฉาความโลภนะในยากปกติเนี่ยมันก็ไม่โผล่มาหรอกแต่พอในยาที่ไม่ปกติมีสิ่งยั่วยุหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นเรา ไอ้ความความคิดหรืออารมณ์นะที่เป็นอกุศลมันก็โผล่มานะจากมุมมืดของใจเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีนะทําให้เราได้เห็นใจของเราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นได้เห็นความโกรธได้เห็นความกลัวได้เห็นความอิจฉาได้เห็นความโลภของเรา บางคนมาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมานานนะแล้วก็อาจจะไม่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะก็อาจจะมีน้ำใจช่วยเหลือเ อ, อืเออ้อเฟอืเฟอ้เฟอเกื้อกูลผู้อื่นนะก็คือว่าเราเป็นคนมีน้ำใจแต่ว่าวันดีคืนดีนะ เห็นเพื่อนเขารับรู้ว่าเพื่อนเขาได้รางวัลหรือว่าได้รับการโปรโมทนะหรือว่าได้รับคำชมอะไรก็แล้วแต่บอกัว่าไอ้ความอิจฉามันโผล่ขึ้นมาและพอบางคนก็อาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับว่าฉันมีความคิดแบบนี้ หรือบางคนก็เสียใจว่าทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้นะความกลัวก็เหมือนกันบางคนปฏิบัติทรมก็คิดว่าตัวเองเนี่ยนะสงบนะจิต น, น, นิ่งๆนะแต่พอมีอะไรมาขัดตัวขัดใจมากระทบใจนะโกรธบางคนก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความโกรธ จะไม่ต้องปฏิบัติธรรมจะโกรธได้ยังไงหรือว่าอาจจะรู้สึกเซลเซียจ้าทําไมถึงมีความคิดแบบนี้บางทีเขาคิดลายกับเพื่อนคิดลายกับอคนใกล้ชิดนแล้วก็มาเสียเจ้าทําไมเรามีความคิดแบบนั้นแต่ถ้ามองกลับกันนะมองในมุมหนึ่งก็คือเออมันทํำให้เราได้เห็นนะว่า เรายังมีความคิดแบบนี้อยู่เรายังมีด้านนี้นะมันก็ทำให้เราได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นก็เป็นการบ้านนะเป็นโจทย์ที่เราต้องจัดการแต่ไม่ว่าจะแต่ก่อนที่จะจัดการก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันคือสิ่งที่มีอยู่นะในใจเราอันนี้ก็คือประโยชน์นะ สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยการยอมรับความจริงของตัวเองไม่ว่าด้านบวกด้านลบเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นแม้มันจะลบมันจะแย่แต่การที่เราการที่มันโผล่มาจากมุมมืดเนี่ยมาสู่มาสู่บุม่มสว่างเนี่ยก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เราต้องเป็นโอกาสดีที่เราได้จัดการกับมันมันก็คง ค, คล้ายๆกับสตูเนะเวลาทําสงคราม ส, สมัยนี้เนี่ยมันมีพลซุ่มยิงพลซุ่มยิงเอพวกนี้พลซุ่มยิงก็จะหลบซ่อนอยู่ตามซอกตึกนะ แล้วก็คอยยิงนะฐานฝ่ายตรงข้ามตายทีละคนทีละคนทีละคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ก, ก็ต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าคนซุ่มยิงนี่มันอยู่ไหนพอาะาูุแล้วก็สามารถที่จะจัดการได้ก็ต้องหาทางมีเหยื่อลอเนะอาจจะมีคนที่กล้าเสี่ยงตายวิ่งออกมาจาก ที่โล่งเพื่อล่อรอให้ผลซุ่มยิงไฟฟ้าย่งยิงพอยิงปุ๊บ ก, ก็จะรู้แล้วว่าเสียงว่าปืนมาจากไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้เรียกว่าก็รู้จุดอ่อนหรือว่าผลซุ่มยิงฝ่ายนั้นก็เผยจุดอ่อนของตัว หลบซ่อตรงไหนฝ่ายตรงข้างก็จะได้หาทางจัดการนะอันนี้ก็เป็นความเปรียบนะซึ่งอาจจะเปรียบได้ไม่ดีนักนะเพราะว่าเวลาเราในการที่เราจะจัดการกับกิเลสในในใจเราเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้ ความรุนแรงขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่ามันอยู่มันมีอยู่ในใจเรานและการที่มันโผล่มาจากมุมมืดนะมันก็เป็นประโยชน์ในการที่จะทําให้เราเนี่ยหาทางที่จะจัดการกับมันแต่ไม่ใช้ด้วยความรุนแรงนะเพียงแต่ต้องมีกุศโลบายนะให้ความกลัวก็เหมือนกันนะ ถ้ามันโผล่มาแล้วก็ถือว่าประการแรกคือเออเราก็รู้ว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ประการที่2เป็นการฝึกสติให้สติได้ได้ฝึกนะว่าจะจัดการกับความกลัวอย่างไร อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะแม้มันจะเป็นอารมณ์กุศลเนี่ยมันเป็นมันเป็นการบ้านให้เราได้ฝึกให้พัฒนาสติขึ้นมานะก็คือรู้ทันมันถ้าสติเราอ่อนนะมันก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันความกลัวได้ แทนที่จะเห็นความกลัวก็เป็นผู้กลัวแต่ถ้าสติเราไวนะมันก็จะเห็นความกลัวนะสติเราก็จะไวในการที่จะเห็นความคิดต่างๆด้วยอันนี้รวมถึงความคิดฟุ้งซ่านนะที่มันออกมากลรปฏิบัตหลวงพ่อเทียนเนี่ยใช้เปิดตานะแล้วก็เคลื่อนไหว บางคนก็บอกว่ามันไม่ดีนะเพราะว่ามันทําให้ใจไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ถ้าปิดตาไม่รับรู้อะไรใจมันก็จะสงบได้ง่ายหรือว่าถ้าอยู่นิ่งๆ น, นะไม่ต้องเคลื่อนไหวมันก็จะสงบง่ายครั้นเปิดตานะมันก็จะ มีความคิดปรุงแต่งโผล่ขึ้นมาถามยกมือนะมันก็เมื่อไปขยับความคิดให้มันออกมาแต่สารการจลรสติถือว่าเป็นข้อดีนะเป็นของดีเพราะว่าเท่ากับว่าสติเราก็จะมีคู่ซ้อมนะมีคู่ซ้อมเหมือนนักมวยเนี่ยก็ต้องจะเก่งได้มันก็ต้องมีคู่ซ้อม แต่ใหม่ๆก็ต้องเป็นคู่ซ้อมที่พอฟัดพอเวียงทั้งหน่อยนะไม่ใช่คู่ซ้อมที่เป็นยักษ์ปักหลันนะ่นในขาที่สติก็เหมือนกับเด็กตัวเล็กๆนะอันนั้นก็ถ้าเจอวย่งก็สติก็โดนซัดหมอบทุกครั้งไปใหม่ๆเนี่ยก็ต้องหาก็อาศัยสิ่งวัาล้อมช่วยสิงแกรล้อมที่จะ ไม่ถึงกับกระตุ้นให้ความคิดมันออกมามากเกินไปหรือสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ใชใ่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์นะงนการที่เรามาอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยเพื่อให้ความคิดเนี่ยมันมันไม่ฟุ้งซ่านมากงั้นะถ้าเราไปเจริญสติในกลางถนน นะหรือว่าในสถานที่พลุกพลาดเนี่ยไอความคิดมาจอมาเยอะนะแล้วก็ความคิดแรงแงมากมายรวมทั้งอารมณ์อาจจหยุดยินอารมณ์ว้าวุ่นเะนี่ะสำหรับคนที่ฝึกหม่สติก็จะไม่มีทางที่จะรู้ทันไอความคิดและอารมณ์เหล่านี้ได้เหมือนกับนักชกที่นักชกมือใหม่นะก็เจอคู่ซ้อมที่ นระเวเวกนี่ก็ไม่มีทางจะพัฒนาฝีมือได้การมีสารที่แบบนี้เนี่ยมีสิ่งเร้าน้อยมีสิ่งกระตุ้นไม่มากแล้วก็ไม่มีกิจการงานมากนะที่นี่เราก็พยายามให้พวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีกิจการงานน้อยนะเรื่องการทำอาหารก็ไม่ต้องทำนะก็แค่ดูแลตัวเอง เรารวมทั้งการพูดการคุยกนะ็ให้มีแต่น้อยนะพูดเท่าที่จำเป็นรวมทั้งไม่ต้องไปไปไปจดจออยู่กับสิ่งอื่นนะไม่ต้องไปสนใจโทรศัพท์ไม่ต้องสนใจข้ อ, ขอความเพราะว่ามันไม่มีจะให้สนใจใ้สิ่งเรา่นี้มันก็ทาให เรื่องแครันก็ทำให้สิ่งเราความคิดสิ่งกระตุน้นความคิดมันน้อยลงแต่น้อยลงในที่นี้เนี่ยก็ยังถือว่ามากนะหมายความว่าความคิดมันน้อยลงไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมากนะหลายคนมาวันแรกสองวันแรกความคิดฟุง้งนวนเลยทั้งที่สิ่งเราก็น้อยแต่ว่ามันมีบางช่วงที่ความคิดเนี่ยมันออกมาไม่มาก ก็เป็นคู่ชกเป็นคู่ซ้อมที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับสตินะที่ยังยังอ่อนๆอยู่นะมันก็พอจะเปิดโอกาสให้สติได้รู้ทันนะการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้มุ่งให้ไม่ต้องคิดอะไรนะเราไม่ได้มุ่งที่ความสงบคือไม่คิดอะไรไม่ใช่แต่เรามุ่งให้ สติรู้ทันนะความคิดและอารมณ์การปฏิบัติที่ใ น, นความสงบเนี่ยก็เรียกสมถนะซึ่งก็มีประโยชน์แต่ว่าการปฏิบัติแบบหวงพ่อเทียนเนี่ยในเรื่องสติสติความระลึกได้หรือรวมรวมทั้งความรู้เท่าทัน ระลึกได้หมายถึงเราลึกสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือระลึกถึงข้อมูลที่เราเคยจดจําแล้วก็อยู่ในหัวของเรานะเระลึกได้ว่าวันเกิดเพื่อนวันที่เท่าไหรระลึกได้ว่าอาทิตย์หน้ามีกําหนดนัดหมายอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความจำํำนะที่เรารับรู้มา เมื่อวานนี้สองปีที่แล้วแล้วก็จำเอาไว้ในหัวหน้าที่สติก็คืออันนึงก็คือไประลึกได้ถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่จดจานเอาไว้อีกอันนึงคือการรู้เท่าทันสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะทั้งสองอันนี้ก็สำคัญแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไปไปใช้สติในความหมายแรก ก็คือใช้เพื่อระลึกได้อย่างเนี่ยพอเสร็จคำนี้เนี่ยเราก็จำได้ว่าเต้นเราอยู่ตรงไหนจะเข้าทางไหนเนี่ยอันนี้เป็นงานของสติคนก็ใช้สติในในหน้าที่เนี่ยในแง่นี้นี่กันเยอะมากแต่ว่าสติที่ใช้น้อยก็คือการรู้เท่าทัน รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่มันเป็นปัจจุบันนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าไม่รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์เนี่ยก็กลายเป็นคนเราก็กลายเป็นท่าของความคิดและถูกครอบงำด้วยอารมณ์ได้ง่ายเสร็จแล้วก็ทุกข์เพราะความคิดแล้วก็ทุกขเพราะอารมณ์ แต่ถ้าเราสติของเราเนี่ยไวนะในการรู้เท่าทั น, นจิตมันปรุงแต่งนะเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นสติรู้นะรู้นี่ก็สิ่งที่ตามมาคือละรู้นะรู้ทางโลกเนี่ยรู้แล้ว่างทีมันยึดนะ ยึดในความรู้ของตัวแต่รู้ในทางทำคือรู้ในสติเนีย่ยรู้แล้วมันละเนะี่ยโดยเฉพาะรู้ทันนะรู้ทันความคิดใที่ไม่ได้คิดเรื่องความคิดที่ลักคิดอย่างเช่นเราเดินตรงกลมเราสร้างจังหวะแล้วมีความคิดอสสาวัฏโผล่ขึ้นมาไอ้คนี้ลักคิดนั่นแหละรู้แล้วก็ละความคิดมันก็หลุดไปหลุดไปเมือที่มีควา ม, ม, มญหงุดหงิดขึ้นมาความกลัวเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บมันก็วาง ธรรมชาติของอารมณ์และความคิดเนี่ยถ้ามันเป็นความคิดที่เผลอคิดหรือเป็นอารมณ์ที่เผลอปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยนยพอมันถูกรู้ทันนะมันก็จะก็จะสลายไปนี่เป็นธรรมชาติของของของอารมณ์และความคิดเลยนหน้าที่เราก็คือเพียงแค่รู้ทันเท่านั้นแหละรู้ทันมันมันก็ดับไป เมื่อมันดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นต่มมากก็คือความสงบนะสงบเพราะรู้ทันนะใจสงบเพราะรู้ทันความคิดฟุ้งซ่านมันมีสงบอยู่สองอย่างนะสงบเพราะไม่รู้นะหรือเพราะไม่เพราะตัดการรับรู้เช่นหลักตาหรือว่าอุดหูนะหรือว่า เก็บตัวอยู่ในห้องแอร์ปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์เนี่ยอันนี้เรียกว่าตัดช่องทางการรับรู้ไม่ว่าด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าตัดการรับรู้ผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือต้งสือพิมพ์แรงต่างพอไม่พอไม่รับรู้ มันก็สงบได้นะอย่างตอนนี้อาจจะมีข่าวสารมากมายนะแต่พอเราไม่ได้ยินพอเราไม่ได้รับรู้ไม่ได้อ่านข้อความใจเราก็สงบได้หรือว่าเราหลับตาเราเอาจิตไปกําหนดที่ลมหายใจเพื่อไม่ให้จิตมันไปรับรู้อะไรไม่ให้จิตมันปรุงแต่งอะไรมันก็สงบได้อันนี้เราสงบ เพราะไม่รู้หรือสงบเพราะตัดการรับรู้แต่มันมีสงบอีกแบบหนึงสงบเพราะรู้นะหมายเขาว่ารู้ทันรู้ทันความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแทนที่ปล่อยให้มันรบกวนจิตใจนะรู้ทันมันปุ๊บมันก็มันก็่กอลงไปนะหรือว่าสลายตัวไป สิงที่เกิดขึ้นตาคือความสงบและความสงบแบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้แม้ว่าตาจะเห็นรูปหูได้ยินเสียงถึงแม้ว่าตอนที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจมันจะกระเพื่อมเกิดความยาเกิดความหมุดหงิดเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความยินดี สุดแท้แต่ว่ารับรู้เรื่องอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรใจก็เพิ่มธรรมชาติคนเราเนี่ยพอมารับรู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็กระเพื่อมถ้าไม่ก็ขึ้นก็เพื่อมึ้นก็ก็เพื่อมลงไอ้ที่เป็นกลางกลางก็มีบ้างแต่น้อยใจที่กระเพื่มขึ้นก็เพิ่มลงนี่มันก็ก็เรียกว่าทำลายความสงบได้ได้เหมือนกันแต่ถ้ากระเพื่อมขึ้น ได้เห็นสิ่งที่ชอบได้ยินสิ่งที่น่าพอใจมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอเห็นสิ่งที่ขัดหูขัดตาขัดหูได้ยินสิ่งที่ขัดหูได้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบเนะี่ยใจมันก็กระเพื่อมอีกทศนันหนึ่งนะก็เพิ่มลงนะคือยินร้ายตรงนี้คนจะรู้สึกมไม่สงบแล้ว ที่จริก็เพิ่มขึ้นก็ไม่สงบนะแต่ว่าเนื่องจากชอบก็เลยไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่พอมันก็เพิ่มลงหรือว่ายินร้ายเนี่ยขัดใจขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นความไม่สงบแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บนี่มันก็วางนะสติมันทําให้จิตกรรมมัเป็นปกตินะไม่ว่ากับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงยินดีหรือยินร้ายชอบหรือชังพอมีสติรู้ทนันปุ๊บเนี่ยมันสงบเลย มันกลับเป็นปกติเป็นความสงบที่เกิดขึ้นได้นะท่ามกลางาสิ่งเร้ามากมายแต่ว่าจะทำอย่างนั้นได้หนึ่งมันก็ต้องฝึกสกติให้ไหวและการที่จะฝึกนะสำหรับนักปฏิบัติก็ควรจะเริ่มต้นนะในสิ่งวันร้อนที่มันไม่มีสิ่งเร้ามาก น, นี่คือผลที่เรามาม า, มากันที่นี่ แล้วก็ไม่ใช่มาเพื่อจะอยู่ท่ามกลางความสงบอย่างเดียวแต่อยากจะให้เราได้มาเจออะไรต่ออะไรนะที่มันจะช่วยกระตุ้นจิตให้ให้ให้ปรุงแต่งให้กระเพื่อม เป็นครั้งคราวด้วยนัย่นจึงไม่จึงจึงไม่ได้ชวนพวกเรามาปฏิบัติในที่ที่มันสบายเนะสียทีเดียวสงบก็จริงแต่ไม่สบายนะมันมีสิ่งที่จะขย่าวใจของเราให้ให้กลัวบ้างนะให้วาวุนบ้าง อาจจะมาเจอกับทุกขเวทนาบ้างนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องฝึกเรานะฝึกให้ใจเราให้สติเรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ได้ไวนะถ้าเราถ้าสติเรารู้เท่าทันไวมันก็จะมันก็จะทำให้ใจสงบได้เร็วนะไม่โดยที่ไม่ต้องไปพิ่งพึ่งพาสิ่งแวดล้อมว่าใจจะสงบก็ต่อเมื่อ รอบตัวเราสงบนะแม้รอบตัวเราไม่สงบแม้รอบตัวเราจะมีสิ่งที่ดูเหมือนน่ากลัวแต่ว่าใจเราก็สงบได้ดังนันการบ้านนะสำหรับพวกเราในคาคืนนี้นะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ที่ใหม่ไม่คุ้นเคยกับอบรรยากาศแบบนี้คือว่าให้นะให้ให้มีสติรู้ทานความกลัว ให้ตระหนักว่าความกลัวมันเกิดขึ้นได้เมื่อมีความคิดนะถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่กลัวนะเช่นคิดถึงสัตว์ ร, ร้ายคิดถึงผีคิดถึ ง, ค, ถงคนที่หมายปองร้ายคนแปลกนะั่นไอ้พวกนี้ปรุงแต่งนั่นแหละถ้าจิตเราไม่ปรุงแต่งนะเป็นความคิด ในทางลบนะความกลัวมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ทันนะความคิดที่ปุงมแต่งและพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้ามันคิดนอกตัวเมื่อไหร่นะโอกาสที่จะกลัวนน่นกลัวนี่ก็มีแต่ถ้าเราเอาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจนะแค่นั้นแหละไอ้ความกลัวก็ไม่มีเหตุที่จะเกิดได้ ดึงจิตก็มีกับปัจจุบันนะอย่าไปส่งจิตออกนอกนะแล้วใจก็จะไม่มีอะไรที่จะมาคุกคามให้ให้ตื่นตระหนกนะเอา้าวเราคำนี้ก็พูดกันท่านนี้ก่อนนะ เ, เดี๋ยวเราก็